ก็ความในคุธกานิกาคุธกาปาทะติโรกุธทธสูตร เ, เรื่องราวของพระสูตรนั้นได้มีขึ้นว่าเพราะเหตุที่บุคคลผู้ประมาทในการปฏิบัติกุศลธรรมนั้นอยู่เมื่อเกิดในฐานะที่แม้เศร้าหมองกวานรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ย่อมเกิดในจำพวกเปรตเห็นปานนั้น เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรัตนสูตรเพื่อแสดงว่าบุคคลไม่ควรทําความประมาทในการปฏิบัติกุศลธรรมนั้นและเพื่อระงับอุปทวะแห่งกรุงเวสาลีที่พวกหมู่พูดเหล่าใดเบียดเบียนแล้วหรือตรัสเพื่อแสดงว่าในหมู่พูดเหล่านั้นมีหมู่พูดบางพวกมีรูปเห็นตานั้นเพิงทราบว่าประโยชน์แห่งการตั้งติโรกุทธสูตรนี้ในที่นี้ แต่เพราะเหตุที่ติโรกุทธสูตรเนี่ยนะผู้ใดประกาศประกาศที่ใดประกาศเมื่อใดและประกาศเพราะเหตุใดการพนานาความของติโรกุทธสูตรนั้นเนี่นยนะก็จะแสดงโดยลําดับต่อไปว่าข้อว่าก็ติโรกุทธสูตรนี้ใครประกาศประกาศที่ไหนประกาศเมื่ อ, อไหรขอชี้แจงนังนี้ว่าติโรกุทธสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศที่ติโรกุทธสูตรนั่นแหละ ทรงประกาศเพื่อทรงอนุโมทนาแก่พระเจ้ามาครดรัฐในวันรุ่งขึ้นเพื่อทําความข้อนี้ให้แจมแจ้งเนี่ยนะควรกล่าวเรื่องให้พิสานมาก่อนเนี่ยนะถอยหลังจากนี้ไปเก้บสกับนับแต่กับนี้นะมีพระนครชื่อว่ากาศีในพระนครนั้นมีพระราชาพระนามว่าชัยเสนพระเทวีของพระราชานั้นทรงพระนามว่าสิริมา พระโพธิสัตว์ทรงพระนามว่าปุตตะเกิดในคันของพระนางตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณตามลำดับพระราชาชัยเสนเนี่ยนะทรงเกิดความรู้สึกถึงความเป็นของพระองค์ว่าทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยนะว่าโอรสของเราทรงออกพนวดเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นของเราพระธรรมก็ออกของเรา พระสงฆ์ก็ของเราทรงอุปถักตด้วยพระองค์เองตลอดทุกเวลาไม่ยอมประทานโอกาสแก่คนอื่นๆเลยนะมันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ของเราหมดนั้นอุปถักคนเดียวเลยนะไม่ยอมให้ใครมาอุปถากร่วมเลยทีนี้เจ้าพี่เจ้าน้องของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่างพระมารดาสามพระองค์ก็พากันด âm ฤติว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเสด็จอุบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งปวง มิใช่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลคนเดียวเท่านั้นแต่พระบิดาของเราไม่ทรงประทานโอกาสแก่เราและคนอื่นๆเลยเราจะได้การอุปถากอย่างไรเนาะพระราชโอรสเหล่านั้นจึงตกลงพระหฤทัยว่าจำเราจะต้องทำอุบายบางอย่างวางแผนบางอย่างจะทำบุญบ้างทั้งสามพระองค์จึงได้ให้หัวเมืองชายแดนเนี่ยทำประหนึ่งแข็งเมืองตอนนั้นพระราชาทรงทราบข่าวว่าหัวเมืองชายแดนนกบฏ จึงส่งพระราชโอรสทั้งสามพระองค์เนี่ยออกไปปราบกบฏพระราชโอรสเหล่านั้นก็ปราบกบฏเสร็จแล้วก็เสด็จกลับมาพระราชาก็ทรงดีพระราชชาหฤทัยว่าอูพระราชทานพรว่าเจ้าปราถนาสิ่งใดก็จงรับเอาสิ่งนั้นนะพระราชโอรสทั้งสามพระองค์ก็กราบทูลว่าข้าพระบาทปราถนาจะอุปถักพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธเจ้าข้า พระราชาตรัสว่าเว้นพรข้อนั้นเสียรับเอาพรข้ออื่นไปเถิดนะโอเรื่องนี้ไม่ได้เอาเรื่องอื่นเนอะงั้นพระราชโชรสกราบทูลว่าพวกข้าพระบาทไม่ปรารถนาพร อ, อย่างอื่นดอกพระเจ้าค่าพราชาก็ตรัสว่าอา้าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงกําหนดเวลามาแล้วก็รับไปนี่ยนะคือให้อุปถักต์ได้แต่ต้องมีเวลานะพระราชโชรสก็ทูลขอว่าเจ็ดปีพระเจ้าข้างั้นพระราชาไม่พระราชทาน โอ้หักไปเงั้นทนไม่ไหวหรอกอพระราชรถก็ทูลขอลดลงไปอย่างนี้6ปีก็แล้วกันไม่ได้5ปีไม่ได้สปีสปีสอง ป, ปี1ปีโอ้หนปีก็ไม่ได้นานเกินไปบวกเอา7เดือนก็แล้วกันโอ้นานมากเพราะงัน้นไม่ได้หเดือนไม่ได้5เดือนสเดือน3เดือนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่น้อง3คนเอาคนละเดือนกั็แล้วกันอ่าพอดี3เดือนเพราะงั้นเพราะฉะนั้นเหลือไตรมาสธาราชาก็พระราชทานว่าเออได้ได้ไม่นานเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้พอรอได้เพ ร, ะราะงั้น ทนพระราชโอรสเหล่านั้นพอได้รับพระราชทานพรและต่างก็ทรงยินดีอย่างยิ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบางคมแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ประสงค์จะอุปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดไตรมาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับจำพรรษาตลอดไตรมาสนี้สําหรับข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับโดยอาการดุสเนียภาพคือนิ่ง ตอนนั้นพระราชโอรสทั้งสามพระองค์ก็ทรงหัดทะเลขานนีะ่ลายพระหัตถไปแจ้งแก่พนักงานเก็บสวยเนี่ยนะคือผู้จัดการผลประโยชน์ในชนบทของพระองค์ว่าเราจะอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดไตรมาสคือสามเดือนนี้เจ้าจงจัดเครื่องประกอบการอุปถกักคพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ให้พร้อมทุกประการตั้งแต่สร้างพระวิหารเป็นต้นไปนีเจ้าพนักงานเก็บสวยนั้นก็จัดการพร้อมทุกอย่างแล้ว ก็ส่งหนังสือรายงานให้ทรงทราบ พ, พระราชโอรสเหล่านั้นก็ทรงนุ่งห่มผ้ากาสายะทรงอุปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเคารพเนี่ยนะด้วยบุรุษวัยาวจากรอีกอนน2 5น0ะคนก็นำเสดสู่ชนบทมอบถวายพระวิหารให้ทรงอยู่จำพระพันศาเนี่ยนะบุตรครหาบดีผู้หนึ่งเนี่ยนะเป็นพนักงานที่รักษาเรือนคลังของพระราชโอรสเหล่านั้นพร้อมทั้งพันยา เป็นคนมีศรัทธาประสาทะเขาได้ปฏิบัติถาวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกโดยเคารพเจ้าพนักงานเก็บสวยในชนบทพาบุตรเครือบดีนั้นให้ดำเนินการถาวายทานโดยเคารพพร้อมด้วยบุรุษชาวชนบทประมาณหนึ่งหนึ่งันคนบรรดาคนเหล่านั้นชนบางพวกมีจิตถูกอิจฉาริษยาเนี่ยนะครอบงา พวกเขาก็พากันทําอันตรายแก่ทานกินทายธรรมด้วยตนเองบ้างให้พวกลูกๆ ก, กินเสียบ้างเนี่ยนะแล้วก็เอาไฟเนี่ยเผาโรงอาหารบ้างครั้นปวารณาออกพรรษาพระราชโอรสทั้งหลายก็ทรงทำศักการะยิ่งใหญ่แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปในที่นั้นแล้วก็ปรินิพาน พระราชาพระราชโอรสเจ้าพนักงานเก็บสวยในชนบทและเจ้าพนักงานรักษาเรือนคลังทำกาละแล้วไปตามลำดับเนี่ยนก็เกิดในสวรรค์พร้อมด้วยบริษัทบริวาเรเหล่าชนที่มีจิตถูกอิสามัจฉริยะครอบงำก็พากันไปเกิดในนรกทั้งหลายเหมือ น, นเมื่อคนสองคณะเนี่ย น, นคือคณะนั้นเนี่ยนคณะจากสวรรค์ก็ จากสวรรค์ถึงสวรรค์จากสวรรค์ถึงสวรรค์อยู่ไงี้ไปเรื่อยจากสวรรค์สู่มนุษย์บั่งมนุษย์ไปสวรรค์อย่างนี้นะไออีกกลุ่มหนึ่งก็บอกจากนรกเข้านรกจากนรกเข้านรกอย่างนี้ประมาณ9ก้าสบสองกลับเนี่ยนะตั้งกันโน้นมาจนถึงกลับนี้เลยทีนี้ต่อมาในพัทธกับนี้ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะชนที่มีจิตถูกอิจฉามัจฉริยะครอบงามเหล่านั้นก็ไปเกิดเป็นเ ป, นเปรตทีนี้ครั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายถวายทานอุทิศเพื่อประโยชน์แก่พวกเปรตที่เป็นญาติของตนว่า ขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของเราเปรตเหล่านั้นก็ได้สมบัติขณะนั้นเปรดแม้พวกนี้เห็นดังนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทําอย่างไรเนาะพวกข้าพระองค์จึงจะได้สมบัติบ้างพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบัตดนี้พวกท่านยังไม่ได้ดอกก็แต่ว่าในอนาคตจกมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะมีพระราชาพระนามว่าพิมพิสารเท้าเธอได้เป็นญาติของพวกท่านนับแต่นี้ไปเก้าสิบสองกลับเนี่ยนะคือเป็นอดีตญาตินะญาติแหมในอดีตเก้าสิบสองกลับนะนมนานเต็มทีแล้วว่างั้นเท้าเธอจกถวายทานแด่พระพุทธเจ้าอุทิศส่วนกุศลแก่พวกท่านครั้งนั้นพวกท่านจึงจะได้รับว่างั้นเขาก็ว่า มีพุทธดำรัสอย่างนี้แล้วพระพุทธดำรัสนั้นได้ปรากฏแก่พวกเปรตนะเหล่านั้นประหนึ่งตรัสว่าพวกท่านจากได้ในวันพรุ่งนี้หูดีใจมากเลยนะรออพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เนี่ยจะได้กินอีกแล้วไม่นานแล้วนะแผ่นดินสูงสิหกิโลเมตรเนี่ยนะโหมาบอกแต่ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยที่อดอยากมาแล้ว9 12กลับเนี่ยนะอีกพูดทำดอเดียวเองแป๊บเดียวว่างั้นไม่นานแล้วนะเมื่อเทียบต่อที่เคยอยู่นรกมาเนี่ยนะ ทีนี้ต่อมาเมื่อล่วงไปพุทธันดรหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราก็เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระราชโอรสทั้งสามพระองค์นั้นก็จุติจากเทวโลกพร้อมด้วยบุรุษ2องพันห้าคนเหล่านั้นไปเกิดในสกุลพราหมณ์ทั้งหลายในแคว้นมคธบวชเป็นฤาษีโดยลําดับได้เป็นชฉินสามคนณัขยาสีสากประเทศเจ้าพนักงานรักษาเรือนคลังได้เป็นมหาเศรษฐีชื่อว่าวิสาขะพัญญาของเขาได้เป็นที่ดาของเศรษฐีชื่อว่าธรรมมิินา บริษัทที่เหลือเกิดเป็นราชบริพารของพระเจ้าพิมพ์พิสารทั้งหมดเห็นไหมคือพระเจ้าพิมพิสาร น, น, นี่นะเป็นอะไรเจ้าพนักงานเก็บสวยได้เป็นพระเจ้าพิมพ์พิสารน่ะเนาะพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราเสด็จอุบัติในโลกล่วงไปเจ็ดสัปดาห์ก็เสด็จมายังกรุงพารณาณสีโดยลําดับประกาศพระธรรมจักโปรดพระพิสุปัญจะวักีเป็นต้นไปจนถึงแนะนํำชดินสามคนทั้งบริวารเห็นไหม ที่อื่นก็คือ 1,000 ันคนเนี่ยนะก็เสด็จไปยังกรุงราชครึกณกรุงราชครึกนั้นก็โปรดพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเสด็จเข้าไปเฝ้าในวันนั้นเองให้ดํารงอยู่ในโสดาปติพนพร้อมด้วยพราม์และคฤห บ, บดีชาวมาคตเนนะสิบหุดก็คือ1 000, 000, นึ0 0 0สคนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์พระเจ้าพิมพิสารเพื่อเสวยพักตาหารในวันพรุ่งครั้นวันรุ่งขึ้นอันเท้าสักกะจอมทวยเทพ นำเสด็จทรงชมเชยด้วยคาถาทั้งหลายเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงฝึกแล้วกับเหล่าปุราณชดินผู้ฝึกแล้วเนี่ยนะคือฝึกแล้วก็ฝึกด้วยรหัตมรคผลนั่นแหละพระผู้หลุดพ้นแล้วกับเหล่าปุราณชดินผู้หลุดพ้นแล้วผู้มีพระชวิวันงดงามดังแท่งทองสิงคีเสด็จเข้าสู่กรงราชครืดังนี้เสด็จเข้าสู่กรงราชครื ทรงรับมหาทานในพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพ์พิสารเตรตเหล่านั้นยืนห้อมล้อมด้วยหวังอยู่ว่าบัดนี้พระราชาจากอุทิศทานแก่พวกเราบัดนี้จะทรงอุทิศทานแก่พวกเรารอเขาส่งมาให้สักทีหนึ่งนะฝ่ายพระเจ้าพิมพ์พิสารถวายทานแล้วก็ทรงพระดําริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงประทับอยู่หน้าที่ไหนหนอทรงดํำริ ถ, ถึงแต่เรื่องที่จะประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นมีได้ทรง อุทิศทานนั้นให้แก่ใครคําว่าอุทิศนี่แปลว่าเจาะจงนะไม่ได้ยกทานนี้ไปเจาะจงมุ่งไปให้ใครเลยเปรตทั้งหลายก็สิ้นหวังตกคืนนั้นน่ย น, นะตกตอนกลางคืนก็พากันทําเสียงแปลกประหลาดน่าสะเพงกลัวอย่างเลือเกินในพระราชนิเวศพระราชาก็ทรงสลดพระราชารุทายหวาดกลัวต่อรุ่งสว่างจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ได้ยินเสียงเช่นนี้ เหตุไรหนอจากมีแก่ข้าพระ อ, องค์พระเจ้าข้าเ ม, มืม่อคืนนี้ได้ยินเสียงที่น่ากลัวสยดสยองบหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษโปรดอย่าทรงกลัวเลยจากไม่มีสิ่งชั่วร้ายอ ะ, อะไรอะไรเกิดแก่มหาบาพิษดอกก็แต่ว่าพวกญาติเก่าๆของมหาบาพิษเกิดเป็นเปรตนี่มีอยู่เปรตเหล่านั้นเที่ยวอยู่สิ้นพุทธันดรหนึ่งหวังอยู่ต่อมหาบาพิษว่า จากทรงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วจากทรงอุทิศ ส, ส่วนกุศลแก่พวกเราเมื่อวันวา น, วานมหาบาพิษไมิได้ทรงอุทิศ ส, ส่วนกุศลแก่พวกเปรตนั้นพวกเปรตนั้นนะนะจึงสิ้นหวังจึงพากันมาทําเสียงแปลกประหลาดเช่นนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าบัดนี้เมื่อข้าพงถวายทานพวกเขาก็ควรได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่า ถวายพระพรมหาบพิษพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลว่าพระเจ้าค่าถ้าเช่นนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับนิมนต์เสวยภัตตาหารพรุ่งเช้าพรุ่งนี้ของข้าพระองค์ด้วยนะพระเจ้าค่าข้าพระองค์จักอุทิศทานแก่เปรตพวกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับพระราชาเสด็จเข้าพระราชนิเวศจัดแจงมหาทานแล้วให้กราบทูลเวลาพัตตาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปภายในพระราชินิเวศประทับนั่งเหนือพุทธอาสนะที่เขาจัดไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เปรตพวกนั้นพากันยืนในที่นอกฝาเรือนเป็นต้นด้วยหวังว่าวันนี้พวกเราจะได้อะไรกันบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทำโดยอาการที่พวกเปรตนั้นจะปรากฏแด่พระราชาหมดทุกตนเหมือนกันเถอะพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยพุทธานุภาพนะทําให้พระเจ้าพิมพิสารนี่มองเห็นเปรตญาตหมดเลย พระราชาก็ถวายน้ําทักษิโนโทกนะทรงอุทิศว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของเราอ่ะนะอีทังโนยาตินังโหตุวังงั้นอ่ะนะก็ว่าทานทั้งหมดของเรานี้จงสําเร็จแก่ญาติของเราเถอะว่างั้นท่นใดนั้นเองสบกครนีดารดาษไปด้วยปทุมก็บังเกิดแก่เปรตพวกนั้นเปรตพวกนั้นก็อาบและดื่มในสระโบกครนีนั้นระ ง, งับความกวนกวายความลําบากและความหิวกระหายได้แล้ว มีผิวพันธุ์ดุจทองลำดับนั้นพระราชาถวายข้าวยาคูคือข้าวต้มนะของเคี้ยวและของกินเป็นต้นแล้วก็ทรงอุทิศทันใดนั้นนั่นเองข้าวยาคูและของเคี้ยวและของกินอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรตพวกนั้นเปรตพวกนั้นก็พาการบริโภคของทิพย์เหล่านั้นมีอินทรีย์เอิบอิ่มลำดับนั้นพระราชาก็ถวายผ้าและเสนาสนะเป็นต้นทรงอุทิศให้เครื่องอลังการต่างๆ ผ้ามีผ้าทิพยามที่ปราสาทปปาาทิพเครื่องปูราาและที่นอนเป็นต้นก็บังเกิดแก่พวกเปรตนั้นสมบัติแม้ทั้งหมดของพวกเปรตนั้นก็ปรากฏทุกอย่างโดยประการใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอธิษฐานให้พระราชาเห็นโดยประการนั้นพระราชาทรงดีพระทัยยิ่งแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยเสร็จแล้วก็ทรงห้ามพระตาหารแล้วนี่นะหลังจากฉันเอ็มพระอง์ก็อนุโมโทนากถาว่า ติโรกุเตสุติทันติสันติสิงคาทเกสุจะเนี่ยนะกล่าวว่าฝูงเปรตเนี่ยนะพากันมายัางเรือนของตนยืนอยู่ในที่นอกฝาเรือนบ้างยืนอยู่ที่ทางสี่แพร่งทางสามแพร่งบ้างยืนอยู่ที่ใกล้บานประตูบ้างเนี่ยนะคือก็บ้านญาติก็เหมือนกับบ้านตัวนะก็ไปที่บ้านญาติ ก็ไปยืนตรงไหนยืนในที่นอกฟ้าเรือนที่ทางสีแพร่งถนนสามสี่แยกเนี่ยนะไปรอดูใกล้ประตูดูสิแม่ญาติก็จะทำบุญให้เราบ้างเมื่อข้าวน้ำของเคี้ยวของกินเขาวางไว้เป็นอันมากญาตะไร่ของเปรตเหล่านั้นก็ระลึกไม่ได้เพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยเนี่ยนะเขาบอกว่าญาตินิ้วขนอาหารมาทำบุญกันเยอะแยะไปหมดแต่ก็นึกถึงเปรตญาตไม่ได้เลยนะลืมญาติสนิทเลย เพราะอะไรทำไมญาติทั้งหลายที่ทำบุญแล้วเขาไม่ได้อุทิศส่วนกุศลนะ่ะเพราะกรรมของสัตว์เหล่านั้นปิดบังไว้ทำให้ญาติ ล, ลึกไม่ได้เหมาะนั้นพอที่จะนึกถึงกันบ้างก็ไม่นึกเลยลืมไปเลยอย่างเงี้ยนะชนเหล่าใดเป็นผู้เอนดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำข้าวอันสะอาดประนีตอันสมควรตามการอุทิศเพื่อญาติทั้งหลายว่าอีทางโนยตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยเหมนน ขอฐานนี้และจงมีแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงมีสุขเถิดเหงนนะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ระลึกได้เนี่ยโอ้เน้นึกถึงญาติทอทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ให้แก่เปรตทั้งหลายเลยส่วนฟูงเปรตที่เป็นญาติเหล่านั้นมาแล้วพร้อมแล้วก็ชุมนุมกันในที่ให้ฐานนั้นย่อมอนุโมทนาโดยเคารพในข้าวน้ำเป็นอันมากว่า เราได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นของเราจงมีชีวิตยั่งยืนเนี่ยนะพอเขาได้รับส่วนบุญนะ่นะมีความสุขสดชื่นดีแล้วแหมวดีใจต่อญาติเลยให้พรญาติกันใหญ่โตเลยว่างันขอให้ญาติมีชีวิตยั่งยืนนะทั้งการบูชา ญาติผู้เป็นทายกก็ได้กระทาแก่พวกเราแลว้วอั น, นึ่งทายกทั้งหลายก็ย่อมไม่ไร้ผลไม่ใช่ว่าอุทิศ ส, ส่วนบุญไปให้เปรตแล้วหมดบุญเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะผู้ที่ทำบุญก็ยังบุญเป็นของตัวนั่นแหละเปรตก็ได้รับด้วยทีนี้ก็พูดถึงบรรยากาศในเปรตบ้างว่าในเปรติวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมการทาไร่การทำนาเนี่ยไม่มีไม่มีการทำไร่ทำนาเลยในนะั้นไม่มีโค ร, รักกรรมการเลี้ยงโคก็ไม่มี ในปิติวิสัยนั้นการค้าขายการซื้อขายด้วยเงินด้วยทองก็มีมีซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่มีสักอย่างในภพ น, น, นั้นนะนะผู้ทำกาละกิริยาไปแล้วคือตายไปแล้วเนี่ยย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานที่ญาติให้แล้วจากมนุษย์โลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเปรตก็หวังอย่างเดียวเท่านั้นนะ่มีอยู่2วิธีหนึ่งรอินกว่าจะตายจากเปรตสักทีหมือนน คนก็จะหมดอายุไขอะนะกี่ล้านปีก็ว่าไปตามนั้นไปหรืออีกในหนึ่งก็ในระหว่างนี้ก็รอญาติทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทีในี้ของพวกเราเนี่ยต้องคิดให้ดีนะถ้าชุกหน้าถ้าไปเกิดเป็นเปรตไม่มีศาสนาอะไรมาใครทําบุญอุทิศให้นี่แย่มกันนะจนะไปเกิดช่วงนี้รอไปอีกพุทธันดรนหนึ่งเอนั้นเพราะฉะนั้นรีบๆทำเอาไว้เพราะฉะนั้ น, น, ะะ น, นชีวิตของเขาก็รอส่วนบุญจากมนุษย์อย่างเดียว น้ำตกลงบนที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ทายกให้ไปจากมนุษย์โลกนี้ย่อมสําเร็จแก่ฟูงเปรตฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะห่วงน้ําเต็มแล้วย่อมยังสาครให้เต็มฉันใดทานที่ทายกให้ไปจากมนุษย์โลกนี้ย่อมสําเร็จผลแก่ฟูงเปรตฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะ ยาาอวาริวหฮาปูราปาริปุเรนติสออาคัรางนี่แหละอพจากตรงนี้เนะี่ยแล้วก็อทาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสก้าเจเมเพตานังนักินังทินังท่าชาปุเพกะตัมนุสรังเนะี่ยก็เนี่ยบุคคลเมื่อระลึกถึงกิจที่ท่านทํามาแต่ก่อนว่าท่านได้ทํากิจแก่เราได้ให้แก่เราได้เป็นญาติมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ จึงควรให้ทักษีนาแก่ฟูงเปรตการร้องไหนะ้การเศร้าโศกหรือการพี่ไรรำพันอย่างอื่นๆก็ไม่ควรทำเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนะเพราะฉะนั้นร้องไห้เศร้าโศกพี่ไรรำพันไม่มีประโยชน์แก่คนตายเลยว่า ง, งั้น ระยะทั้งหลายก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตก็เป็นเปรตอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ว่าเขาจะพ้นทุกข์เพราะเราร้องให้อะไรหรอกทักษินานี้แลอันทายกให้แล้วตั้งดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ทายกนั้นโดยฐานะตลอดกาลนานเนหมหมายความว่าทานที่จะสำเร็จแก่เปรตเนี่ยนะก็ต้องโดยฐานะนะจึงจะได้ถ้าไม่ใช่โดยฐานะก็ไม่ได้เหมือนกัน ญาติธรรมนี้นั้นก็ทรงแสดงแล้วการบูชาผู้ล่วงรับไปแล้วก็ทรงทำโอฬาแล้วทั้งกำลังของภิกษุทั้งหลายก็ทรงเพิ่มให้แล้วบุญพระองค์ก็ทรงขวนขวายไม่ใช่น้อยเนี่ยนะนี้ก็พูดถึงข้อความในติโรกุทธการทสูดเนี่ยนะก็บอกว่าหลังจากที่พระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนานี้จบแล้ว การบรรลุธรรมก็ได้มีแกสัตว์เนี่ยนะแปดมืสี่พันซึ่งสลดใจในเพราะการพนานาโทษแห่งการเข้าถึงปิติวิสัยแล้วตั้งความเพียรโดยแยบขายแนั้นสลดสังเวชใจมากะนะเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาจะไปเกิดในอาบายอีก <c oughs> ก็สังเวชใจก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็บรรลุมรรคผล แม้ในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงติโรกุทธสูตรนี้นี่แหละแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการตรัสรู้ธรรมะอย่างนั้นได้มีถึงเจ็ดวันด้วยประการชนนี้ อ, อันนี้ก็เป็นข้อความในอัตถกถาติโรกุทธสูตร